ทำหน้าที่แทนจอาวาสเพราะท่านหลวงพ่อสุดใจท่านก็นั่งอยู่จันัันแต่อาตมาภาพจะเป็นโพทาหน้าที่แทนให้ศีลคณะสัายาิโยมวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งท่านผู้ใหญ่ในแผ่นดินได้มาร่วมที่ท่าน พระรากรทุวันรัตท่านมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าที่มาร่วมงานวันนี้ถือว่าเป็นงานเป็นสิริเป็นมงคลแล้วก็เป็นงานขององค์หลวงตาที่พวกเรารักเคารพนับถืออย่างสุด จ, จิตสุดใจในองค์หลวงตาแต่เมื่อเช้านี่ก็เห็นพี่น้องประชาชนมาตักบาต มาที่ว่าวัดป่าบ้านตาดไม่เคยก็ว่าหาดขาดแห้งเหงื่อแห้งจากน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องประชาชนเห็นพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าโอ้ล้นหลามมากบินทบาทเกือบรับจะไม่ไหวมากจริงๆเมื่อเช้าเนะี่ยวันนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลที่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชยาวุฒิจันทร์ท่าน เป็นประธานจัดงานขึ้นมาว่าเป็นผ้าป่าสามัคคีแปลว่าครั้งที่หนึ่งใครว่าครั้งที่หนึ่งก็คือเป็นการทอดเป็นครั้งแรกที่ว่าเป็นเป็นทางการนะเป็นทางจังหวัดต่อไปก็คงจะที่เป็นสิทิยาวนิสิตของหลวงตาก็คงจะใช้ยอยทอดกันไปเรื่อยๆจนกว่าพระเจดีย์ของหลวงตาจ ะ, ะสําเร็จผู้ร่วมไปแต่เดี๋ยวนี้เราคอมเมนมั่นใจว่าจะตุปัจนะ่าจะเพียงพอ มากน้อยแค่ไหนแต่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะตุ ป, ปัจจัยก็เป็นคล้ายๆว่าอุ่นหนาฝาคั่งตั้งแต่วางเสละเลือกในข่าวก่อนแต่ปีนี้ก็มาถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นแต่จะเพียงพอหรือไม่นั้นจงค่อยพูดกันทีหลังโดยมากงานทั้งหลายมันจะบานปลายไปเรื่อยๆบานปลายไม่ใช่ไปเรื่อยๆบานปลายแต่ไม่ลงจะบานขนาดไหนแต่ ต่อไป น, นะจนเสร็จ น, นะเราจึงจะรู้ได้อันนี้ต่อ น, นี้ไปตมาภาพจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะปะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเนปุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาย วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่30เมษายนพุทธศักราช2560มีการกําหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่หนึ่งทำไมจึงว่าครั้งที่หนึ่งเพราะว่าเราทอดมาหลายครั้งต่างคนต่างทอดกันแต่ว่าเป็นของเอกชนเป็นของชาวบ้านแต่คราวนี้เป็นสวนรัชการมีท่านผู้ว่ารัชการจังหวัดอุดร เป็นประธานและเป็นประธานทั้งในจังหวัดและก็เชิญท่านพระรากรสวนรรค์มาเป็นประธานใหญ่ในการทอดพระป่าในคราวนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นวันถือว่างานทอดพระป่าในคราวนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่สําคัญยิ่งในในการทอดพระป่าในบรรดาสิทธิานุสิทธิขององค์หลวงตามหาบัว ไม่มีครั้งใดที่ทางจังหวัดกับพร้อมกับพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าอย่างวันนี้หรือว่างานที่ว่าเพื่อสร้างพระเจดีย์อย่างนี้นะยังไม่เคยมีแต่ทอดผ้าป่าอย่างอื่นผ้าป่าทองคำเออานั้นนับไปทวนนะแต่ว่าเพื่องผ้าป่าเจดีย์เนี่ยเราก็เคยทอดทั้งหนึ่งอยู่ที่สวนแสงธรรมอันนั้นก็คือเจดเราจะสร้างเจดีย์ครอบ ที่พระราะฐานเพลิงศรีระสังขารขององค์หลวงตาไม่ใช่จุดนี้แต่จุดนี้เป็นครั้งแรกการทอดภาพป่าถือว่าวันนี้เป็นวันสิริเป็นมงคลของคณะสิทธิานุสิตทั้งหลายและก็พร้อมกันอาตมาภาพเองในฐานะสิทธิขององค์หลวงตาท่านหนึ่งในบรรดาสิทธิหลายร้อยหลายพันรูปหลายร้อยหลายพัน หลายหมื่นสําหรับโลกคณะสัท ธ, ธา ญ, ญาติโฉมลูกหลานขององค์หลวงตาที่มาเกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาต่างคนก็ต่างครึืมปีติยินดีแต่องค์หลวงตาก็ได้จากไปได้ปีเป็นปีที่6เมื่อวันที่30มสกราแปล ว, ว่า6ปีเต็มแต่เดี๋ยวนี้ก็ล้ําเลยมาหลายเดือนแล้วก็จะเข้าปีที่เจ็ดพวกเราจึงได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตา เพราะนั้นถือว่าคราวนี้ครั้งนี้เป็นครั้งเอาจริงจังแล้วก็มีการอาตอกเสาเข็มแล้วกม็มีการหาทุนแต่ตามไม่จริงเมื่อกี้นี้ทราบว่าโฆษกก็ได้ประกาศว่าทุนของหลวงตาเพราะว่าเงินของหลวงตาจะถุกปัจจัยเพื่อจะสร้างเจดีย์หลวงตาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของสิทธิานุสิทธิทุกทวนน้าเพราะนั้นควรจะประ ก, กาศให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบร่รบรวมกัน แต่หลวงพ่อทราบเมื่อกี้นี่ว่าทั้งหมดได้ห้าสิกว่าล้านนะแต่จะเพียงพอไหมสำหรับสร้างพระเจดีย์ถ้าว่าพวกเราจะจ ะ, จะจะจะทำอย่างไรแต่แต่ถึงอย่างไรพระเจดีย์ของหลวงตานี่ดูดูแล้วในแบบแปลนก็รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็คงจะตั้งงานหรืออารามใหญ่ เหมาะสมกับองค์หลวงตาที่ท่านมีทำํำทำคุณูปการให้กับประเทศชาติแต่คราวนี้ครั้งนี้พวกเราก็ได้สุนได้ทุนเสียสละด้วยน้ําใจแต่อัตมาเองกับพราะป่าปลื้มใจในช่วงที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาพวกเราห่างเหินกันไปทั้งหปีมีแต่ทยอยทอดพระปา่าทําบุญไม่ใช่ทอดพระปา่าทําบุญหยอดตู้ใครมาก็หยอดใครมาก็หยอดหยอดตู้เพื่อทําบุญ แต่ว่าความหนักแน่นของลูกศิษย์ลูกหาในใจของลูกหลานเนีจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าว่าพวกเราจะระลมทุนต่อไปภายภาคหน้าลูกศิษย์ลูกหาองค์ลงตาเนี่ยจะให้การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนหน้อเน่ยจึงนั้นขอให้ท่านพระอาจารย์สุดใจเจ้าวาดเปิดบัญชีเสาเข็มขึ้นมาพอเปิดบัญชีเสียงอ้าวลูกหลานทุกคนเน่ยเสาเข็มเนี่ยต้นหนึ่งประมาณ26กกว่ า, กวาเกือบ27 000. แตถ่ถ้าหากว่าลูกหลกานผู้ใดใครจะร่วมสมทบก็ได้ในการถาวายเสาเข็มในครั้งนี้เสาเข็มคราวนี้เป็นเสาเข็มทั้งหมดหนึ่อ้เอต้นแล้วก็เซ็นสัญญากัน32ล้านถ้าหาวัดพี่น้องประชาชนจะเอาคนละต้นหรือต้นสองต้นก็ได้หลายคนกลุ่มแบ่งกันก็ได้ที่เราได้พูดอย่างนั้น แต่พอประกาศไปแล้วเพียง20กว่าวันได้เงินมา37ล้านอาตมาภาพเองในฐานะที่เป็นสิทธิญาณิสิทธิ์ฝ่ายสง์ได้ยินแล้วก็ปลื้มใจว่าเออโลกหลานคณะสิทธิญาณิสิทธิขององค์หลวงตายังหนักแน่นยังมั่นคงกับองค์หลวงตายังรักเคารพในองค์หลวงตาอย่างสม่ำเสมอถ้าว่าพวกเราจะระดมทุนต่อไปภายภาคหน้าเมื่อจําเป็นถ้ามันขาดจุดไหน หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าคณะสิทธิยาลุกศิษย์ทั้งหลายคงจะให้ความร่วมมืออย่างที่เห็นจากที่เสาเข็มที่พวกเราได้ประกาศหาลงทุนกันเมื่อกี้นี้นะเพราะนั้นวันนี้เป็นการทอดพระป่ า, ปาคือพวกเราทำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะทำที่อุดรเพราะบรรลุศิษย์ลูกหาหลงตาหลวงตาไปช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เกือบทกจังหวัด ในละแวกในแถบนีเ้เกือบจะว่าทั่วประเทศไทยบางคีท่านก็นไปช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนสถานที่ราชการห ล, ลายแห่งไม่ว่าจังหวัดน้องคครจังหวัดนครบึงการาน้องบัวลำพูจังหวัดเลยคอนแก่ร้อยเอ็ดมหาจระคมแ ถ, แถบนี้ลงตาไปช่วยเกือบทั้งหมดทุกจังหวัด เ, เพราะนั้นเราจะทอดภาพป่าสามัคคีเราจะไปบอกเออลูกหลาน ศรัทธาญาติโยมเน้อผู้ใดรล่ลึกถึงบุญบุญคุณขององค์หลวงตาแต่ทางหลวงตาเองก็ไม่ได้ทวงบุญคุณจากพวกเราท่านทั้งหลายรอกแต่ว่าพวกเราในฐานะที่ว่าท่านหลวงตาของเราเป็นภูพการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์ได้หาเครื่องมือช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสถานที่ราชการพวกเราก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตติกกตวเวทิตาจะไม่ดีเหลอลกูกหลาน ถ้าว่าพวกหลานลูกหลานท่านผู้ใดเห็นบุญคุณขององค์หลวงตาก็ร่วมมาสมทบก็ไม่ให้หนักใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราพูดทั้งนี้ทานั้นมีการเป็นการเลรี่ยไยจนเป็นที่ลําคาญจิตลําคาญใจของผี่น้องประชาชนไม่ใช่ทําด้วยศรัทธาถ้าว่าผู้ไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่ว่ากาันไม่ต้องทําก็ได้ถ้าผู้มีศรัทธาแล้ลึกถึงบุญคุณของหลวงตานะก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานทุกคนเนอะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งท่านพระกรท่านองค์ขมูตรีท่านพระกรสุวรรณรัตแล้วก็ท่านผู้วาราชการจังหวัดและข้าหลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกหมู่เราได้มาร่วมมารวมกันและก็พร้อมกันเนี่ยหลวงพ่อที่เพิ่งมาเนี่ยหลวงปู่ที่เพิ่งมาที่นั่งเก้าอี้เนี่ย อันนี้ก็หลวงปู่อุ่นนะเป็นสิทธิ์ญาตุสิทธิ์ขององค์หลวงตาอีกองหนึ่งเพิ่งมาร่วมมาร่วมงานในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งแต่น่าเสียดายหลวงปู่ใหญ่สององค์คือหลวงปู่บุญมีและหลวงปู่หลีที่เป็นสิทธิ์ญาติสิทธิ์ขององค์หลวงตาองค์สององค์นั้นคงจะไม่ไหวองค์หลวงปู่บุญมีจะ90กว่าปีแล้วแต่องค์หลวงปู่ ปีเนี่ยเกปีที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาที่เป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่แต่วันนี้ก็เห็นหลวงปู่อุ่นมาหลวงพ่อเองก็เห็นวันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นท่านพี่ของหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโษมทุกหมู่ทุกเหล่าเนอะให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวหลอมจิตใจก็เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างเจดีย์พระพิพัฒน์เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งพ่อใด ย่งหลวงพ่อกําลังพูดอยู่นี่หลวงพ่ออายุ72ปีแล้วน่นนนลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมในเมื่อหลวงพ่อสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อจะอยู่ไปอีกกี่ปีหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบอย่างเหมือนกันแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจก็เพื่อบูชาพระคุณองหลวงตาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสลิดเป็นมงคล เ, เหลืองอล า, ามเรียกว่าตั้งงานขึ้นมาเป็นที่ศึกษาของลูกของหลานแต่ในพิพิธภัณฑ์หลังนี้ที่จะทําขึ้นไปนี้ มิใช่ว่าจะเก็บเก็บแตบริขารอัธาบริขารเหมือนข้าหลวงปู่มันไม่ใช่นะคณทธายาตโยมจะมีประวัติขององค์หลวงตาหลวงตาเกิดที่ไหนมีพี่น้องกี่คนอาชีพหลวงตาเป็นยังไงจะบอกในรายละเอียดแต่ว่าประวัติของหลวงตามีจากนั้นคุณธรรมของหลวงตาธรรมเทศนาของหลวงตา ที่พระธรรมเทศนาของหลวงตาที่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมจะเน้นจุดนั้นมากกว่าในพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาไม่ใช่จะมีแต่ บ, บริขารให้ไปกราบเป็นที่ล้ำลึกเท่านั้นไ ม, ไม่ไม่มีเพียงเท่านั้นนะคณทาญารย์ยงจะมีพระธรรมคําสอนของหลวงตาอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นถือว่าพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิพพธภัณฑ์สําหรับเชิดชูบูชา เกียรติศักดิ์เกียร ต, ติคุณผลงานของหลวงตาที่ทาให้ประเทศชาติบ้านเมืองที่เด่นที่สุดก็คือส่วนอื่นที่สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อันนั้นก็เป็นสี่รู้จักกันอยู่แล้วแต่โค้งสุดท้ายอายุของหลวงตา80เกือบจะเ0้าปีบ้านเมืองของเราในยุคนั้น2องพนสีอออโซน บ้านเมืองของเราอยู่ในความตกลําบากเสเดิมเนินกิจการผิดพลาดนะทำให้ประเทศชาติเกือบจะล้มทั้งยืนเขาใส่น้ําต่างประเทศเขาใส่ตั้งชื่อว่าต้มยํำกุ้งเขาวางันนะแต่หลวงตาท่านก็ไม่ได้เน่งดูดายเพราะท่านเป็นพระป่าพระดงทั้งที่ท่านก็อยู่ในความสันโดษแต่ท่านกระโดดออกไปนึ่งไปหาทองคําช่วยขั ง, งหลวง ได้ทองคําถึงสิบสามตันกว่าและต้องเงินดอลลาร์อีกสิบล้านกว่าดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวนี้ก็เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเหมือนกันแต่หลวงพ่อคิดเท่าไหร่มันคิดไม่ตกเพราะมั น, ม, นมันสุดตัวแรกว่างเงินแตไม่รู้จะคิดยังไงเพราะมันเป็นเงินหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นขนาดร้อยล้านหลว ง, งพ่อก็ยังหาได้ยากแล้วเป็นหมื่นล้านนะเพราะฉะนั้นหลวงตาทําคุณบุญประกรันให้กับประเทศชาติมาก เงินเหล่านั้นก็อยู่ในท้องพระแข่งทองคำเหล่านั้นก็อยู่ในท้องพระคข่งนี่แหละเกียรติศักดิ์เกียตรยติคุณขององค์หลวงตาถ้าจะว่าไปแล้วมากหล่นเหลือขนาที่พวกเราจะต้องเชิดชูบูชาในในในทรัพย์สมบัติภายนอกนะแต่สำสบทรัพย์สมบัติภายในขององค์หลวงตานะไม่ต้องพูดถึงนะอันนั้นท่านบอกประกาศในตัวเองในตัวของท่านเองว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเรา เราจะไม่มาเหยียบแผ่นนิอีกเป็นอนันตาการอันนี้ท่านประกาศในองค์ของท่านอันนี้เราพูดตามที่ที่ท่านพูด เ, ออเราก็มั่นใจในในคำพูดของท่านอีกเราก็มั่นใจว่าองค์หลวงตาเนี่ยคือพระอรหรันต์เพราะนั้นขอให้พวกเราขา้าราชกาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านถ้าเชื่อในองค์หลวงตาเชื่อในแนวความคิดหรือชวนแนวปฏิปทาเชื่อในคุณธรรมของหลวงตา พวกเราช่วยกันสร้างพระเจดียด์เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาบูชาพระหันเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าถูประหะบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างเสถียรเจดีย์คือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าพระหันตสาวกในหลวงตาของเราเนี่ท่านประกาศอย่างนั้นแล ะ, สะแสดงว่าท่านเป็นพระหันตสาวกสมควรยิ่งที่พวกเราจะช่วยกัน สละทุนทรัพย์เพื่อช่างถาวรวัตถุเป็นสลิกเป็นมงคลในเมืองอุดรของพวกเราแล้วก็เป็นแนวเพื่อการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังผู้มีอุปนิสัยที่จะเดินตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาก็จะได้เดินตามได้พ่อมีประวัติของหลวงตาเป็นเป็นเครื่องชี้นาชี้แนะอยู่แล้ว เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายการกล่าวสัมโมทนิยธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุญบารมีขององค์หลวงตาขอให้มาคุ้มครองบรรดาศิทธิารุ้สิทธิ์ทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธท่านอาจารย์ครับยอดอรวมยอดฟังนะทีนี้นะยอดรวมอยอดรวมแต่ยังไม่เนิ่งนะถ้าว่าพวกเราเอาออกมาคนละแสนสองสาแสนคนละล้านก็คงจะมากกว่านี้นะอันนี้เพียงแต่ยอดอยังยังไม่เนิ่ง แปดล้านสามหมนสมพสบามบาทยี่สิบหกสตังค์แปดล้านสามหมืนสามพ้าสบสามบาทยี่สิบหกสตังค oh, ์โอ้อนนโมธนาเกือบสิบล้านได้8ปดล้านวันนี้เอาสักสิบล้านดีไหมวันนี้นะฮะ แต่ถึงอย่างไรศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะก่อนที่จะกลับออกไปให้พวกเราไปดูเสาเข็มซะก่อนนะเนอะมาคราวนี้พวกเราเห็นเสาเข็มแต่พอมาคราวคราวหน้าครั้งต่อไปพวกเราพวกเราจะเห็นเทคานแล้วก็ขึ้นเสาเแล้วก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆนะแต่วันนี้พวกเราไปเห็น พวกเราจะได้เปรียบเทียวมาขาวนั้นเห็นตอกเสาเข็มมาทาขาวนี่ขึ้นเสาแล้วต่อมาขึ้นตรงหลังคาเจดีของลวงตาของพวกเรานะ เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราออกไปนี้ให้แวะไปดูซะก่อนนะ เ, เจดเีเริ่มต้นเจดีของหลวงตานะเอาต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพร้อมแล้วนะนะพระสงฆ์อุูบาจารนะนะ ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลพร้อมกันกับให้พวกเราคณะทัตายาติโยมได้ทำบุญสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาถือว่าพวกเราได้ทุ่มเทจะตกปัจจัยเพื่อจะได้สร้างเจดีย์ของหลวงตาในคราวนี้ครั้งนี้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อันดับแรกพวกเราทุกคนอยู่ในใต้ร่งเงาพระประมีของ พระบาทเจ็จพ่อเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในบรมโกดท่านสวรรคารายพวกเราอย่างรักเคารพในพระองค์ท่านอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนพวกโม่เ่าเพราะพระองค์ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติพวกเราอยู่ในประเทศไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะบุญบารมีของพระองค์คุ้มครองไม่เหนือในละแวกนี้ไม่ด้อยกว่าใครในละแวก ทวีเอเชียนะเพราะนั้นด้วยบุญบารมีของพระองค์ที่คุ้มครองพวกเราทั้งพี่น้องประชาชนทั้งวัยพระพุทธจักรนาจักรพุทธจักพุทธจักและพพุทธศาสนาพระองค์ก็ให้ความสําคัญยิ่งเพราะนั้นถือว่าพระองค์เป็นผู้มีพระคุณยิ่งสําหรับพวกเราเพราะนั้นพวกเราเมื่อพระองค์จากไปแต่พวกเราก็ยังลําลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ดวงวิญญาณพระ อ, องค์ท่านถึงจะติดุยูณที่ได้ทินใดพวกเราขอขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อดวงพระวิญญาณของพระ อ, องค์ขอขอให้พระ อ, องค์จงอยู่พระเกษมสํำราญอู่ในภพภูมิที่พระ อ, องค์ประทับอยู่นช่วง น, นั้นและก็พร้อมกันให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลต่อพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบ่งสาคนาญาติของเราถือว่าวันนี้เป็นวัน มงคลหรือ ว, ว่าเป็นสำวัญสำคัญยิ่งพวกเราได้มาทุ่มเทสร้างประจดีขององค์หลวงตาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของชีวิตนะต่อนนี้ใบไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรพร้อมกันอู้ที่ส่วนกุศลด้วยนะ